จากเราได้ฟังธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้าการฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของเรานี่ยแหละเรื่องของเราก็คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมไปเมื่อกี้นี้กว่าจะได้เกิดธรรมเทศนากานันนี้ข้างล่าขึ้นมาล่มโล ก, กขรรค์พัสสุตถะ 6ปีนะจำทุกอย่างหาคนที่จะเสมอเหมือนไม่มีเลยการสร้งหาจะจรรมจนได้หลักมาดูกายมาดูใจไปมุสติสติต้นโพสีมหาโพ อ, อื่นทั้งหมดแล้วมีแต่เรื่องของกายของใจนี่แหละเรื่องของกายก็เอาจนเชีื่นมาจนบวมหมดจนซ่อมหมดจนเหลือจะหนังหุ้มกระดูกมันก็ไม่ไดไม่ถูกทางจึงมาเห็นเรื่องจิตใจจิตวิญญาณที่มันเล่นไปโน่นไปนี่ ก่อนที่จะศึกษาเรื่องนี้ต้องมีกำลังมีรูปมีกายพอที่มีชีวิตมีลมหายใจได้ไม่ทรมานอยาอ่างอื่นไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่เก็บไม่พวดอาศัยอาหารพอได้ชีวิตขึ้นมาได้มาทำเรื่องนี้ กูฉันเข้ารู้สึกอยากฉันออกรู้สึกนี่ก็ต้องอาศัยกายให้เกิดความรู้ขึ้นมาในคืนวันนั้นกูฉันเข้าอยาฉันออกรู้สึกบางทีก็เปลี่ยนรูปแบบเปล่นดูลมหายใจเข้าดูดมหายใจออก โลดสักตัวคยหายใจพีพีมานานใครเคลื่อนไหวพีพีมานานแบบนี้มีสติไปกำกับที่มันเคลื่อนไหวของกายเจตนาเคลื่อนไหวให้มีระเบียบเรยกว่ากรรมคือการกระทำโดยที่ตั้งของการกระทำกรรมาฐานเกิดขึ้นในเป็นเพนเดิน6หลังจากนี้ไปสองพ สามร้อยปีล้วสองพันห้าร้หกร้อยปีแล้วอ่าไม่ถูกสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าสิบเก้าปีแล้วเห็นไหมนับจากมันตัดจะลูกับนับจากมัน ปลินิพานมาจนถึงวันนี้ประมาณนั่นห้าร้อยสองพันหกร้อยเปอร์เจริได้หลัดทุกคนก็มีกายมีใจทุกคนก็มีสติได้เวลาใดที่มันเลื่อนไปทางอื่นกลับมา ตอนนั้นพระองค์อาจจะแล่นเก่งกว่าเราด้วยเขอเคยเป็นสุขุมมารชาตภาษาสามรดูพระเจ้าจักรพัทก็หล่อขออยู่สนมกาลังในเต็มพระนครแต่พระประชาราชจะสรองยินดีกับ ออรสษาทิลาดก็ว่าได้นะจะมานั่งใจต้นโพนี่เอาย่อมคิดแรกเจ๋งกว่าเราคิดหน้าคิดหลังไป่างนั้นดีดังนี้ดีเอไม้พิมพาก็ยังสวยหล่ยอย่าเยี่ยมลานก็เกิดใหม่ก็ชอมลักลูกลักเมีย เหมือนกับพวกเราที่เคยเลกลูกแล้วเมียขนาด จ, จุคุมอราชาติมานั่งอยู่นี่ก็คิดไปกับหมาทางใจมันคิดไปกลับมารู้ไม่ใช่มานั่งคิดถึงโลกถึงเมียนะไม่ใช่มานั่งคิดถึงประสาทถดงรู้มาให้รู้สึกตัวเราเสียขาโพธยานเนะดือนทั้งหมดแล้วทำหมดแล้วเอื่น มันอยู่ที่ไหนเมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดเอามมนเลยเมื่อมีแจก็ต้องมีไม่แจเมื่อมีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายเอาหลักเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ไว้เสมอต้องมีกังคืนมีกลางวันกลางวันกลงคืนมีมืดไปแจ้งมองแบบโจดมองแบบเป็นจำเลยของโลกที่เคยผ่านมา ส5สิบห้าปีนี่อะไรบ้างมีสุขมีทุกข์มีเิเลสตัางหาราคาจะง่ายบางทีคิดขึ้นมาเป็นทุกข์หอมไม่หลับพระความคิดเป็นเจ้าฟ้าเป็นอะไรเป็นความรักก็มีเป็นความของวนก็มีมันอยู่ที่น้อยอ๋อ ลอยหลอกคิดไปกลับมาเออมันใช่ได้นะคิดเป็นแล่นไปกลับมานี่คิดมันก็หลอกใช่ไหมบนี้ก็มีกายที่มันเห็นเห็นจิตจะว่าจิตจะเหล่าบ้าแต่ก่อนจิตเป็นเรื่องเป็นเหลาขึ้นมาความคิดเป็นเรื่องเป็นเหลาคิดสุขก็สุขคิดทุกข์ก็ทุกข์เป็นทุกข์เพราะความคิดเคยมีมาแล้วไอความรักเพราะความคิด ในความเกลียดชังเพราะความคิดเอาแบบนี้กลับมาลูกเปลี่ยนเป็นลูกเปลี่ยนเป็นลูกไปในความคิดที่มันหลงเปลี่ยนเป็นลูกเอามาทาได้ทําได้คิดถึงลูกมันเป็นของมลูกคิดถึงเมียมันเป็นความลู ก, เ, ลกเรื่องของกายที่มันแสดงออกปวดเมื่อยนั่งงาน เรต้อดต้องเมื่อเห็นสุขทุกข์ที่มันเกิดจากกายแม้แต่หายใจเข้าหายใจออกก็เป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของลูกของกายเห็นสักว่าจักมากา ย, เ, ยเห็นของจริงของเทเ็จเกิดกับกายเห็นของจริงของเท็จเกิดกับจิตกับใจทุกคนเห็นได้ แม้แต่มีหลักตรงนี้แต่ต้องเอาใัยรูปแบบรูเขียนเข้าเหยียแเขโตกเป็นรูจักตัวที่นี่เป็นเป็นนิมิตเป็นที่เกาะไว้ก่อนถ้าไม่เกาะมันไม่อยู่ไม่กลับมาง่ายไม่กลับมาไม่เป็นมันไปเรื่อยเรื่องโน่นต่อเรื่องนี้ถ้าเป็นควาคิดถ้าเป็นท่วขทุกข์ก็ต่อไปไกลๆทุกมาเป็นรูจักตัวคิดมาเป็นรูจักตัวลอยที่มาเกิดกับกายกับใจ มาเป็นความรู้สึกตัวหนึ่งมันก็เห็นช่องเห็นทางขึ้นมาเห็นกายสักว่ากายเห็นสุขเห็นทุกข์สักว่าสุขว่าทุกข์เห็นมันคิ ด, คดเกิดจากจิดสักว่าความคิดเห็นทำที่มันเกิดจากกาจากใจเป็นความดีความชั่วโอ้โหหอ น, น ผมลองเล่สงสัยความคิดผงสอนเห็นกรรมมราคาปฏิ้ะเกิดขึ้นกับจิตใจก็เห็นอะไรเข้าไปเป็นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโตต้ท่วงโตโตกับมาลูกับมาลูปฏิคือกับมาลูกับมาลู่ เปิดความขยันเห็นช่องเั้นทางคนใส่ใจคนผิดพลาดมาเฮ้ยผิดพลาดมึงหปีสงทิศลงทางหปีผมมาเห็นช่องทางก็ขยันขึ้นมาแล้นะกลายเป็นลู่ลู่ไปลู่ไปอะไรมาเป็นความลู่ทั้งหมดชุกไปเป็นทุกมาเป็นความลู่ทุกไม่เป็นทุกมาเป็นความลู่ เกิดความเห็นขึ้นมาเกิดสติขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาปัญหาเป็นปัญญาขึ้นมาแล้ววะนี่ขยันเป่นเขียนขึ้นมาเป็นกรบเป็นกรรมขึ้นมาเหมือนกับเราทำงานอะไรที่มันเสร็จก็เสร็จไปเก็บไปอะไรมันเสร็จก็มันก็ขยันลงทิ่มมันไม่เสร็จอันมันเสร็จแล้วมันมันไม่ขยันมันแล้วแล้ว แล้เราทำาตรงที่มันเสร็จแล้วก็เสร็จไปนแต่เป็นรูปคำมันมันขยันตรงที่มันจะเสร็จหนึ่งวันสองวันหนึ่งยี่สิบวันคงจะเสร็จสิบห้สบวันคงจะเสร็จสิบหวันคงจะเสร็จอาทิตย์หนึ่งคงจะเสร็จมันขยันไปเหมือนมีผลงานในการกระทามันติดตามอยู่เนี่ย คืนเดียวเนี่ยคืนเดียวเนี่ยแสงเงินแสงทองขึ้นรูแ้แจ้งเรื่องนี้ตอนพูดเห็นเรื่องนี้เขาโขงเทศของกิ่งเกิดกระปลายกับใจของเรานี้นะดังที่เราได้ฟังพระสูตรนี้เรียกว่าปฐมเทศนาอาริยธรรมจักรกบรวตรสูตร เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราเนี่ยจะแดงออกมาได้อย่างนี้นะทุของจริงแท้ๆอยู่กับเราเนี่ยทำยังไงทุกเห็นไหมรู้แล้วนะเห็นแล้วเราได้เห็นแล้วทุกเรารู้แล้วกำหนดรู้ได้แล้วเหมือนปัญหาเกิดที่ใดกำหนดรู้ดอเห็นแล้วเหมือนเราไปปะอย่างเรา มันรั่วที่ไหนเรามาเห็นเกาะไปแช่ดำให้มันลมออกบ๊อบบ๊อบอบอ๊นมาเขาเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วนี่คือเห็นปัญหาเห็นแล้วเห็นทุกได้เห็นแล้วจะรู้แล้วอยู่ตรงนี้ถ้าเห็ น, นก็เกิดดำขึ้นมามีหวังสําเร็์จากมูไทยเราก็รู้แล้ว l â ละ lâu ละอยู่ละได้แล้วเหตุที่เกิดทุกข์ฉันอยู่ที่ไหนอ ย, อยู่ที่เวลาเราปฏิบัติได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้นะแตเโ ม, มทัยคือไม่รู้คือปองแตงที่มันหลงมันรู้มันหล ง, ล ง, ลงเวลาเราปฏิบัติเจอสองอย่างนี้มีหลงมีรู้ไม่ปิดบังอาภางัง สอก็รู้สองอันนี้เท่านั้นไม่ใช่เรื่องมากมายจนเราไปคุบตะคุปนั่นคุบนี้เหมือนกัรมาฐานบางวิธีก็สอนให้ลูกเสร็จุ้งยากเพื่อนฝึกกีดในเหมือนจับปูแสกดงมันไม่ใช่อย่างนั้นจับปูแสกระดง้งปูหลายตัวไตออกจับตัวนั้นเส่มันไม่ไหวไม่ยากปั่น มีภาวะที่รู้มีภาวะที่หลงเนี่ยหลงมาชนไหนรู้ทั้งหมดเลยภาวะที่รู้นี่เป็นเพราะที่สากลที่สุดไม่ได้หามีสิรธิยเปอร์ซ็ในความหลงมีสิทธิไม่หลงในควาทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์ในความ อ, อที่ปัญหาเรามีปัญญาไ ม, ม่สธิไม่เป็นปัญหามีพละมีกำลังกระโดด ตรงนี้ได้ตื่นมันนี่นะปฏิบัติท ร, รมันเป็นกรอบเป็นกรรมมันเห็นไม่ใช่แบบงมๆสาวๆเราคลื่นไห้นี่ก็รู้ทันที น, นั่นแะเอาอย่างไงชีวิตเราเนี่ยเป็นมนุษย์สมหติเอามาสร้างความรู้ได้เอามาสร้างดูสิมันเกิดอะไรบ้างแล้ววัตถุที่สร้างก็ไม่มากอะไรบ้างมันมีกายมีใจเท่านี่ เรามาเอาเป็นเอามาเป็นวัตถุที่ทําให้เป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้ขึ้นมาเปลี่ยนมันถึงกี่โลกไม่นานนะหลงเปลี่ยนรู้หลงทอะไรเปลี่ยนรู้เท่านั้นอาจจะอาจจะงอนแยน่นคอนเสดสุกเปลี่ยนหลงเปลี่ยนสุข เ, เป็นรู้ทุกข์นมีเปลี่ยนทุกเป็นรู้อย่างนี่ย มันก็ไม่อย่างลาภได้เหมือนพระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกทับยังไงรู้ปัจจยสามอาการจุดสองได้ทำแล้วทุกกาหนดรู้แล้วรู้ได้แล้วทำได้แล้วนานจะมวยไทยเห็นแล้วที่เป็นเหตุให้เกิเกดทุก ได้โลแล้วได้ทำแล้วละแล้วได้ละแล้วได้แล้วเห็นได้ละละได้แล้วสมอันปฏิยัญสามสมุทัยเห็นได้เกิดตัวเห็นแล้วได้ละแล้วละได้แล้วเที่ยมีรูดเห็นแล้วรู้แล้ว ต้องทําไม่แจ้งทําน้องดูแล้วทําไม่แจ้งแล้วทําได้แล้วนั่นโชอะรมากขึ้นบ้งสัมมาทิฏฐิสัมมากรรมันสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาสัมมาชีวาสัมมาวายาโมสัมมากรรมันโตสัมมาเฉติสัมมาสมาธิเกิดไปเลยบ่เนี่โชขึ้นมาเป็นทิศดีใหญ่โตเลยบ่เคิดถูกคิดถูกพู้ถูกต้องถูกเป็นไปหมดเลยในร่างกายเนี่ย กายในวาจาในความคิด ต, ตาในหูจมูกเล่นกายใจเป็นความไปลมแลไรบ้างจริงเหล่านี้สนสนุนไปเป็นพวงไปดึงเส้นเดียวมาเป็นพวงมาเป็นพวงมีสติวาระควา ม, มกาม็มีสติก็ทําความดีมีสติจิตก็บริสุทธิ์แล้วรู้ล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้นะสัมผัสได้ไมันใช่ไมัมคิด ธรรมะเป็นของสัมผัสสัมผัสกลมหลงสัมผัสกลมรูปเป็นเช่นลายเป็นการสัมผัสเอาสนุกนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่งงเหงาหานอนถนะ้าง่วงเหงาหานอนเรียกว่าไ ม, ไม่ไม่ค่อยเข้าทางนะกลับมาให้ไวๆรู้ตื่นอย่าไปตั้งสบงบมันจะลืมด้วยอ่อนล้าลงลื่อนตาขึ้นมาเยือตัวขึ้นมา ไวๆเชนหน่อยอย่าไปอ่อนไปกัมันห า, าปากหลับตาปีออนไปวันเลยแต่ตื่นขึ้นมาเจกระโดดกระโดดตรงที่มันเป็นจุดดันมันเสริมสร้างตอนที่มันอ่อนแล้วให้มันเข้มแข็งไอ้สติขึ้นมากรรมฐานเราก็มีแล้วโอ้แบบกรรมฐานเอาเลยหายใจช้าๆยังแรง โขาบ้านเน <c oughs> นาอวนั่อกต้นคอลมหอยใจเฮ้ยน้องยกมือซ้านจัะว่ายกแย่เลยฝุกนขี้ตัวรูนี่หล่อยอย่างมันไม่เท่าไหรหรอกดเดี๋ยวนี้มันหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกสุขเป็นทุกมันก็ยังมีราบอย่างราบของแม่ลึกแล้ว จีอสงไข่หลงจีอสงไข่ทุกจีอสงไข่โกรธเรื่องเดียวมาโกรธเรื่องเดียวมาทุกเรื่องเดียวมาคิดมันเคยกินมันเปรือเพื่อนมันเคยสำนานแบบนั้นบบด น, นี้ต้องฝึกตนสอนต น, นหลงที่ได้ละแรงงานของเราเอาไปงานทำงานคิดวิญญาณทำแบบนี้อย่าปล่อยทิ้ง แล้วก็มีจริงๆเน่ยเป็นกรรมตรงนี้จริงๆนะพ้นกรรมก็พ้นตรงนี้ไม่ใช่เปอ่อนวอนวนั่นอื่นแก้กรรมก็แก้ตรงนี้มันหลงรู้แก้กรรมกรรมที่มันหลงทำไมเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นมนารดาโคบชั่วเป็นเปรตเป็นสุรกขาเป็นสัตว์รกเกิดจากตรงนี้แหละแต่ใช่กรรมทั้งวตรงนี้ลูกหลงไปอ พอมันหลงรู้แก่กรรมพอมันทุกก็รู้แก่กรรมแก่กรรมร้อยเป็นกรรมดีหรือว่าปฏิบัติธรรมเปลี่ยนร้อยเป็นดีนีไหมความไม่ดีในกายในใจเรานี้มันคิดเล่นไปไหนมีประโยชน์อะไรเอมคิดี่มีประโยชน์อะไรคิดที่ไม่ต้องใจมีประโยชน์อะไร ไดคุณในทุกอย่า ง, งปล่อยอย่งทิ้งมาแล้วแบบนี้ไม่ปล่อยตัวเองทิ้งหนูจะออกเปลี่ยนไล่เป็นดีเตือนตนสอนตนฝึกตนตรงไหนมันผิดทำให้มันถูกสนุกศอนตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ช่วยกานได้ช่วยใจอย่าให้ทุกข์กันทุกข์เล ให้ทุกันรู้กาหนดรู้ด้วยกันรู้ไปอย่าให้เป็นใหญ่มากเกินไปอันทุกันสุขนั่นแหะสุขแตกว่าสุขทุกแต่ว่าทุกล้ไปก่อนนี่สติเามารู้สึกตัวฝึกให้รู้สึกตัวโดยเฉพาะ ก, กรรมฐานนี่รูปแบบกรรมฐานกรรมชะยะบัพเพ็ สมญญบัชญะบัเพ็นี่ความรู้จากตัวเนี่ยสหจังหวะโอ ย, เ พ, ยพอเพียงพอเพียงพอลเอาทุกวินาทีเลยก็ได้ความรู้เนี่ยอันดด่นไม่ศักดิ์ิทธิ์ไม่สมปาศลนาเหมือนกับกรรมฐานทำนาทำไรต้องใช้ดินพ้าอากาศเอาใช้ทรัพ์สินเนงินทอง แต่นี่สร้างงอกสร้างผลไม่ต้องอาศัยอะไรประซุดเอาให้ลูกทุกนาทีเลยมีอะไรที่ทําให้ได้ประโยชน์เท่าทุกนาทีเท่ากับเรื่องนี้เรื่องการหาสแสวงหามรรคผลหนึ่งทุกนาทีเลยลูกขึ้นมาสิบสี่จังหวะมีไหมมีความมีกลายไหมมีใจไหมรู้อะไรได้บ้างไหมมีธาตุลูกไหม วิญญาณธาตุดูไหมมือวางไว้บนเขารู้ไหมน่สมบูรณ์แบบมนุษย์สมบัติลีกมือขึ้นรูปมือขึ้นรูปเนี่ยสิจบจักรวาเนี่ยทุกนาทีเลยชั่วโมงหนึงงธาตูดทุกนาทีสามพันรลูกสองชั่วโมงก็ต้อง 4,000 ันห้าพันเจ0 0พัน เจ็ปอนรูเป็นเหร่อเปนหมื่นเป็ฉแสนรูเป็นมหาลูตัวรูมันมีมันทําอะไรมันทําอะไรมันทําลายควมหลงแต่รูความหลงก็หมดไปหมดไปหมดจนไม่มีอะไรนั่นแหะความหลงเนะี่ยไม่แต่ความรู้จากตัวเป็นชีวิตที่ว่าได้ชีวิตต่อยอดใหม่แล้วต่อยอดใหม่แล้วชีวิตนะยอดเกิดจากความหลงได้ยอดความรู้ ยอที่มันเกิดจากความสุขความทุกข์ไปเป็นยอดความรู้ขึ้นมายอดใหม่ชีวิตมันเกิดอย่างนี้ไม่ใช่กายใจอันนี้มันเกิด จ, จากเจ็บตายตายนี่เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปกายลีรูปนี้เกิดกันแล้วเกิด จ, จาเจ็บตายเป็นอย่างนั้นแหะรูปเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นมันแจ่ ม, มันเท่ามันแจกมันตายต่อยอดเอาจากนี้ล่ะให้เป็นความรู้ขึ้นมาให้เป็นความรู้ขึ้นมาจึตเจ้พ่นจากจึงได้จึงหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาส่งนั้นน้องดับไปเป็นธรรมดายังกินจิตสมุทัยธรรมังสอบปันฐันโลธรรมมันติอันยาคนันยะเอาจ้าอุทานออกมาอันยะ เหนโอ้เป oh, ็นไปได้นอเป็นไปได้น้อนึกไม่นึกมาจะเป็นไปได้เพราะคนทันญารู้เรื่องนี้เขากล่าวยังจินจิสมุตยธรรมังสับปันนังนิโรธรรมมันตีเฮ้ยได้ผลแล้วได้ผลแล้วเราจะทําเกิดขึ้นกับทุกคนได้แล้วเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วตั้งเป็นไปได้เป็นไปได้เอทันย์เป็นผูุ้ชน ร be ู้แล้วเนี่รู้ทำแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเนารู้แล้วหนอผู้ีอาย่คนทัญยารู้แล้วรู้แล้วอญยาสอญาสีอยาสีรู้แล้วรู้แล้วสิ่งที่หลงรู้แล้วสิ่งที่ทุกข์รู้แล้วสิ่งที่โกรธรู้แล้วรู้แล้วไม่หลงแล้ววันนึ่งเนี่ยเมื่ออาศัยรูปมันเกิดเจ็บหน้อยต่อยอดจากนี้ เอาต้มต้นจากที่หลงให้เป็นรูนี่เลยจะมีเครื่องวัดมีสติตั้งเป็นฐานไว้เวลามันหลงเกิดขึ้นเห็นทุกคนมันลืมไปแล้วกลับมานี่เป็นฐานเป็นที่เกาะที่นิมิตเหมือนเราก็หลักตอการน้มไหลเกาะไว้ก่อนถ้าปล่อยเป็นไหลไปหรือมันหลุดไปเ้าๆก็เวียนขึ้นมาจับ โลยุ่ยังเวลานานความหลงผ่านไปความโศกผ่านไปความทุกข์ผ่านไปเหมือนน้่ไหลไปน้ําน้ำเก่าไหลไปน้าใหม่ไหลมาน้ําเก่าไหลไปน้าใหม่ไหลมาเรียกว่าสันตติทันทาเลคิดดับคิดดับคิดดับสันตติเกิดขึ้นไหลไปเกิดขึ้นไหลไปความคิดเอาต่างๆให้ม oh you know ีเกาะไปให้รู้ให้รู drop, mm ้ใ hmm. ห้รู <nun> ้มันมากขึ้นมากรู้มากรู้มากรู้ อย่างนี้เราวกรรมมาฐานฝึกกรร ม, มาฐานไม่ใช่มาเรียนรู้ได้รู้แบบสิบห้าจังหวะได้แล้วหลวงพ่อเถียนสอนเท่านี้อ่านี้ไม่ใช่เป็นเปลือกเป็นกระพี้เอาวันนี้ไม่ได้ต้องต่อยอดทำมาลู่ได้ความลู่น่ยตอนได้ความลู่ก็ไม่ต้องทําอันนี้ก็ได้นะเลวลาเราจะตายเร า, เราจะทำไงเราจะมายกมือได้ไหวเราตาใครตายยกไม่ขึ้นเลยมือเนี่ย อ๋อจะไม่ได้น้ำลายปุ้มปากเน่งข้างอะไรเข้าอาจารย์ต่้อาจารย์นอดตูวเลยเดี่ยวห้องกระจกคนเดียวอ๋อจะไม่ครั้งที่หนึ่งไม่อยากให้ามันดังมันดั ง, <c oughs> งนี่หมอวิ่งละบากเอาอีกสักหน่อยกันนะอ๋อจะอย่ง ก, ก็ดังเออขึ้นมายังว่ายอมยังสนุกนะ เอาอย่นีหน่อยกันนะมันก็ไม่ได้ยังกึกกึสี่ข้างยเยหมออยสนุกิงๆนะทั้งที่สี่เน้นน้ำไลมปากออกมาเหรนไม่ทุกนะาจะมือมายกมาเช็ดน้ําหา ย, ยกมือไ่ขึ้นแล้วมั่จะมาสร้างจังหวะได้ยังไงมันอยู่ที่เปลกตอนหลงออมมือยกมาขึ้นตาหลับไม่ลง ดูมันน่ะดูมันแล้ไม่อยู่กับความตายแล้วไม่ตายเพรความตายไม่เก็บเพราะความเก็บไม่าอาใัยมันเลยลมหายใจน่ะรู้รู้ตัวนี้นะสําคัญละเอาวาที่รู้ตัวนี้ไม่เป็นยิ่งพูดน้อยคําไม่รู้จะพูดยังไงให้เห็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจไม่เป็นไปกับมัน ในปิดอะไรอะไรที่มันเกิดกับกากับใจอะไรที่มันเกิดกับกากับใจไม่เป็นไปกรรมันแล้วมีจะเห็นมันไม่เป็นไปกรรมันแล้วมันจะเห็นมันแจ่มันเจ็เห็นมันจะมันตายเห็นมันตายผมรู้ตอนนี้มีกันทุกคนอย่าตายเพราะความตายอย่าเจ็บเพราะความเจ็บก็สาความทุกข์ก็ทุกเพราะความทุกข์ทุกข์เพราะความคิดมีบ้างไหมทุกความคิดนะ คิดกันมานอนแม่หลับคิดกันมาน้ำตาไหลคิดกันมาเกินข้าไม่ลงแค่นี้หรือแต่ถึงเขาเจ็บจะเป็นยังไงถ้าไม่ฝึกเฮ้ยเห็นมันกายจักระกายไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนโลาเขาเวทนาก็จึกว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนโลาเขาจิตที่มันชิดไก็ศักว่าจิตไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนโลาเขาทำก็จึกว่าทำไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเลาเขา ออกมาเนี่ยเก้าแรกแได้เลยเห็นไม่เป็นแล้วเห็นไม่เป็นแล้วเห็นกอยไม่ออกกายมันเป็นถุกกันทุกข์เห็นกายฉุกเฉินกยเ ย, ยอะแยะเรื่องของกายนี้มากมายที่มันเกิดชุกเกิดทุกข์เกิด ก, กับกายมากมายาลับๆใช่มันไม่ไหวแล้วเราจะเห็นมันเราจะเกี่ยวข้องมันอย่างถูกต้องตอนที่มันเกิดกับกอยนี้ ที่มันเป็นสุขความทุกข์เกี่ยวข้องกับความสุขความทุกข์อย่างถูกต้องจะให้ข้ามันเพียงแต่เห็นเทอาเห็นมันสุขเออเห็นแล้ ว, เ ห, ลวเห็นมันทุกข์เห็นแล้วเหมือนกับผู้เจ้าเทศสนามเมื่อกี้ว่าสลัดคืนบอกกลับไม่มีที่ให้ตั้งไม่ให้ข้าไม่ให้ข้าแจกความสุขไม่ข้าต่คาาอความทุกข์ไม่มีข้าสําหรับเราความสุขความทุกข์เนี่ย เสอนเคืนบอกกับไม่มีที่ให้ตั้งไม่ห้ค่ามันก็ไม่มีค่าค่ามีแต่พระวัดที่รูกมีค่าศูนย์วมรู้จากตัวที่เกี่ยวข้องกับเจีงต่า ง, างๆฝึกเอาไว้อย่างเราต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายแน่นอนถ้าไม่ฝึกตรงนี้มันจะทุก เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเราสวดตปนาจูโคลทุกอย่างเอาแล้วจูโคลนทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วแม้จะหายใจเข้หาหายใจออกก็เป็นทุกข์กินหลับนอนต้องขยับเคลื่อนไหยเพื่อแก้ทุกข์เป็นทุกข์ขังเป็นทุกข์เพื่อเกี่ยวข้องกับการถูกต้ง <c oughs> แค่ไหนเพียงลายขอบคุณมันนะถ้าโล้จักะมันหิวขอบคุณความหิวถ้าไม่หิวมันจะตายจะเอามาเป็นทุกข์จงกัดมันเก็บจะเอาความเจ็บมาเป็นทุกข์ให้เห็นขอบคุณความเจ็บถ้าไม่เก็บมันไม่ปลอดภยัยจะได้ช่วยมันอะไรที่มาเกิดกับการเนยเป็นเรื่องที่มีปัญญาอย่ามาทาให้เกิดลงโทษตัวเอง จิงใดที่เกิดกับจิตใจย่เอามาลงโทษให้เป็นปัญญามันทำไ้ปัญญาพุทธะเกิดอย่างนี้รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในกองสัง ข, งขาสงขรสังขารกายสังขารจิตตาสังขารเหอเ่อเลยเป็นกองใหญ่ปุ้งแทงปุ้งแตงอยนั้นต่างตาก็ อาหารแบบตาทั้งหูงก็อาหารแบบหูทั้งจมูกทังลิน้นทา้งกาทั้งใจก็อาหารต่างกันเราต้องหาอาหารป่วนมันป่วนมันเช่นเหล่าสุรีเที่ยวเตะเล่ร่อนอะไรต่างๆเยอะแยอะไรเช่นหอมหอมผมจอกปอบทั้งกิง ร, ริยาณผมรับใช้อะไรทุกชิ้งทุกอย่างมันลดมากลดของโลกมีมาก เราก็ด้ตกเป็นทาตของรถของโลกรถพระธรรมนี้ชนะรถทั้งปวงได้ชนะได้เป็นอาบเติเสดให้สองหาเรื่องนี้ชีวิตเรามาเพื่อการนี่โดยตรงว่าแม่เราอาจจะทำไม่ได้พี่น้องปู่ย่าตายายอาจจะทำไม่ได้เรานี่แหละจะเป็นคนลงตกนะ้่อกลงดนูเช มันเป็นย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตัดทะลุได้แต่พาะเรื่องนี้แล้วเพราะสาวกก็เกิดมีแล้วคนสิ่งที่เราหลงคนเขาไม่หลงมีแล้วในโลกนี้สิ่งที่เราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกมีขึ้นมาแล้วในโลกนี้อย่าเป็นเหมาอ่าถ้ามัวหลงมัวทุกเบื่อโกโยู่าจะไหมกันแล้วให้ท่านจะไหมเขาเขาไม่อยู่กันแล้วตรงนี้ หลงในความคิดหลงในตาในหูฉับดิ้นกาใจหลงอยู่ทําไมมันเรื่องแก้ได้เป็นความรู้เป็นปัญญาเนาะใช่ไหมในปัญหานี่เป็นปัญญาถ้ามีปัญหามันก็มีปัญญาปัญญาเกิดจากความหลงกองสังขารโลกพูนะ่นกองสังขารคือปัญญากายของเราใจของเราเนี่ ไอ้คน จ, จะจะจบหลุดไปเลยนี่โอ้ชนะแล้วเว้ยชนะแล้วเว้ยชนะอะไรไม่ไปเสดเท่ากับชนะตนอัตตาหเวสีต้งเสด อ, อยู่ชนะตนนั้นไปเสดกว่าชนะจึงอื่นล้อยอื่นชนะก็เหนื่อยล้อยข้างพันหนไม่เท่าชนะตนข้างเดียวชนะความหลงเป็นความรู้ชนะความทุกข์เป็นความรู้ชนะความโกรธเป็นความรู้ จะน่าความแจ่ความเจ่บควมตายเป็นความรู้ขึ้นมาเนเป็นสมบัติของเราเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติให้ได้พบได้เห็นกันทุกคนในชาตพพิวันนี้ทุกคนทุกคนเธ อ, อกราบพระพ่องกัน